การสร้างบารมีต้องมีความอดทนฟังพระสวดมนต์ก็เกิดความมหัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเก่งขนาดนี้เนาะกว่าท่านจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามานี่บำเพ็ญบารมีมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันขณะหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเรา านสร้างความดีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผลประโยชน์ของท่านไปสร้างโน้นสร้างนี่เต็มไปหมดไม่รู้กี่ปีแล้วเพิ่งจะมามียุคนี้สมัยนี้แหละไม่ทราบว่าใครเป็นต้นคิดคิดสร้างวิหารให้ท่านอยู่ดูสิขนาดหลวงพ่อโสธรท่านสร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่กว่าจะได้บ้านอยู่เราบวชมาสงสมวันเนี่ย อยากมีวิมานอยู่อย่างเทวดามันจะเป็นไปได้อย่างไรหลวงพ่อโสธร น, นั่นท่านสร้างความดีกับบ้านเมืองมากี่ร้อยปีแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดนนเพิ่งจะมีคนมีน้ำใจสร้างวิหารให้ท่านอยู่ปีนี้เองเดี๋ยวนี้ยังไม่เสร็จเลยแต่มองไปรอบๆผลประโยชน์ที่เกิดจากหลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาเอาไปทำอย่างอื่นสร้างโรงเรียน สร้างอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดกว่าท่านจะได้บ้านอยู่ก็สร้างความดีมาไม่ใช่น้อยไอเราบวชมาสองสามปียังไม่ถึงไหนสร้างบารมีไม่ถึงร้อยปีอยากจะมีความสุขความสบายเลยทีเดียวเป็นไปได้ยังไงมันก็ต้องสร้างบารมีให้มากกว่านี้